ในสมะชีวิสูตรที่หนึ่งอังคุตรนิกายจะตกกันิบาทซึ่งนักกุลมิดาคระเหบดีได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตระกูลนำนักกุลมาดาฆ่าปัตตานีซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อฆ่าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์ไม่ได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจนักกุลมาดากาปัตตานีเลยแม้ด้วยใจ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 เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ไม่ตายแต่อย่างหนุ่มสาวดังความในมหาธรรมาปาละชาดกว่าครั้งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมหาธรรมปาละกุมารเมื่ออาจารย์ที่สาปามโมกนำเอากระดูกแพะมาแสดงบอกพรามผู้เป็นบิดาของธรรมปาลกุมารว่าบุตรของท่านตายเสียแล้วนี่กระดูกบุตรของท่านพรามผู้เป็นบิดาก็ไม่ได้เชื่อกล่าวกับอาจารย์ว่า ในตระกูลของเรานี่จะตายกำลังเป็นหนุ่มนั้นเป็นไม่มีเหตุผลอย่างหนึ่งนั้นคือพวกเราไม่ประพฤตินอกใจพันรยาและพรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเราพวกเราประพฤติพรหมจารในหญิงอื่นนอกจากพันรยาของพวกเราฉะนั้นพวกเราจึงไม่มีใครตายตั้งแต่อย่างหนุ่มสาวแม้แต่ในมหาเวสันดรชาดกเมื่อคราวที่พระอินทร์เกรงว่า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 ก็ขอพรให้พระองค์เองเป็นผู้มีสัทธารสันโดษคือขอให้ไม่คบหาภรรยาผู้อื่นพึงพอใจแต่ในภรรยาของตนไม่พึงลุ้อำนาจแห่งหญิงทั้งหลายภาษิตในสารพังคชาดกต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นบทสรุปศีลคือมาท้าวสักกะเทวราชตรัสถามว่าบัณฑิตเรียกคนเช่นไรว่ามีศีลสรพังคดาบท ทูลตอบว่าผู้ใดสำรวมด้วยกายวาจาใจไม่กระทำความชั่วใดๆไม่พูดหลอนและเพราะเห็นแก่ตนคนเช่นนั้นเรียกว่าผู้มีศีลและพุทธพจน์ต่อไปนี้ในวัตถุปัมมสูตรมัจจิมนิกายมุลปันนาฏที่ได้ตรอกับสุนทริกะภารัวาชจพรามนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสาระของศีลพุทธพจน์นั้นคือ จงสร้างความกเกษมในปวงสัตว์อัทธกถาอธิบายว่าความกเกษมหมายถึงอภัยความเกื้อกูลเมตตาและว่าข้อความนี้หมายถึงความบริสุทธิ์ทางมโนทวาร